ที่สถาบัานพัฒนาพระราชการฝ่ายตุะวัการสามยุติธรรมในการปฏิบัติที่ท่านมารู้ไม่ใจเข้าออกรู้นิ้งที่หมุนรู้กายที่เดินรู้กายที่นั่งรู้กายที่บริการผู้โตการรู้เช่นนั้นเนเรียกว่ารู้กายท่านรู้กายในหมวดของกายกายอย่างทุกศาสนาต่ติปทาน กายนั้นเป็นเพียงแค่เป็นเครื่องระลึกรู้กายนั้นอาศัยเปลี่ยนเครื่องระลึกรู้ผู้ที่มารู้กายนั้นคือรู้ลมหายใจเข้าออกว่าในขณะนี้หายใจเข้าสั้นหรือหายใจเข้ายาวหายใจเข้าหยากหรือหายใจเข้าละเอียดบางเบาหรือว่าลมหายใจออกสั้นออกยาวออกหยาบหรือละเอียดออกบางเบาอย่างไรก็ตามในการที่รู้กายหรือว่ละเอียดเข้าไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเมื่อเราจะรู้ละเอียดกันใด อางนี้ก็เรียกว่ารู้กายตลอดตอนนี้ในขณะที่ทา่ า, านปะฏิบัติรู้กายบางขั้นระดับหนักยันหมุนนิ้วบางขั้นระดับหนักที่จะบกมือบางท่านระหนัก ท, ท, ท, ที่บริกรรมรุธโธความขั้นระหนักที่จะรู้หลงเงินใจเข้าออกและแต่ว่าทัานาท้นระดับความจริงมีมากแต่ไม่เยอะพุทธเจ้าตรัสว่าชั้น ส, สี่สิบอย่างท่านจะเลือกใช้อย่างไรก็ได้อยู่ที่ท่านระดับพรามีสติมารลุในหมวดของก า, นะายใจมันก็ไม่ค่อยอยู่หรอกรู้รู้รู้เดี๋ยวมันไปคิดเรื่องอื่น มันเร่องว่ามันอยู่กับกายมันก็แวบะบไปคิดิึคนนั้นจิดถึงคนนี้สุดต่ไปแล้วธรรมชาติเลยนี่สองธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าจิตที่แวะออกไปรู้เท่าเจ้ายวตัดว่าจิเตเปรียบเหมือนลิงจิตของคนเรานั้นเปรียบเหมือนลิงลิงป่าด้วยเข่จะเป็นลิงธรรมบ้านธรรมดาเป็นลิงป่าจิตคนเราเนี่ยเปรียบเหมือนลิงป่าแล้วก็เราก็จับลิงป่ามาฝึกเพื่อจะมาฝึกขึ้นต้นพะเภาเอ า, ามาฝึกเละงพอลิง เพนั mm ่นก็ต้องมีความกระทนมากใการปลกพวกเราเนี่ยเหมือนกับปลูกติลิงป่าเพราะว่าต้องลิงเนี่ยจิบกับฟองแฝงองแฝงฟองแฝงฟองแฝงฟองแฝงตลอดเวลาพระพุทธเจ้าถึงตัดว่าถ้าเราจะปลกลิงเนี่ยแล้วเราไม่เอาลิงมาปลูกกับปักเราปลูกไม่ได้แหละเพราะว่าลิงป่าเนี่ยมันเร็วมากจิตเรานี่มันเร็วกว่าลิงป่าพระพุทธลิงป่าเล่นสู้จิตเราไม่ได้เลยท่านเปรียบไว้มาลิงป่ามันก็ยังช้ากว่าจิตอีกเพราะจิตมันเร็วกว่าลิงป่าขนาดลิงป่าเนี่ยท่านยังบอกว่า ต่อมูกกัลักแล้วก็สูดทุกข์สูดมันไปจิงจะใช้ประโยชน์ได้ตัวสติที่เรารู้ต่อทานลิ้มป่านั้นรู้ต่อทานจิตใจเรานั้นเปียกเหมือนเชือกเหมือนเชือกที่คอยกระตุกลิ้ไว้ให้กลับมาให้กลับมาอยู่กับหลักเดี๋ยวก็ น, นีออกไปแล้วจิตใจเราเดี๋ยวก็นี้ออกไปเดี๋วออกไปเชือกอีกแล้วเดี๋ยวก็ตัดกันไปถึงคนนั้นคนนี้เรารู้อยู่กับเราลมใจก็ออกรู้ ก, กับคำวิริรผูโ้โสรู้กับนิ้วที่หมุน รู้กับมือที่โบกรู้ได้ไม่นานไปอีกแล้วก็ไปแล้วธรรมชาติเลยเราก็สติเปรียบเหมือนเชือกรู้ตัวรู้ตัวผันดึงกลับมาประสบกมักลับมาแล้วก็กลับมาอยู่กับหลักอ่าอยู่กับหลักไปอยู่ได้ไม่นานก็ไปอีกธรรมชาติครับท่านจะมุ่งหงิดกับจิตซี่ไม่อยู่กับหลักไม่อยู่กับคําบริกรรมพุทโทไม่อยู่กับลมหายใจเข้าออกเรื่องมาไปอีกไปอีกสติเปียบเหมือนเชือกก็ดึงกลับมาอีกดึงกลับไปอีก คอยดึงแบบนี้สติแปลว่าเราลึกรู้ลึกรู้อยู่ตัวตลอดเวลาว่าตอนนี้ลิงมันอยู่กับหลักหรือไม่อยู่กับหลักคือจิตใจเราสติแต่ว่าระ the ลึกรู้คือเราลึกรู้ตลอดเวลาว่าตอนเนี้สามารถถูกลิงไว้กับหลักได้ลิงคือจิตใจสามารถผูกลิงไว้กับหลักได้ไหมหรือว่าผูกไว้ไม่ได้ผูกไว้ไม่อยู่บนไปแล้วเชือกก็ต้องดึงมันกลับมาอีกลดงกลับมาสติจึงเปรียบเหมือนเชือก ที่เหนียวล้างจิตใจเอากลับมาอยู่กับหลักไว้เรื่อยๆตอนที่จิตคือลิงเนี่ยมาอยู่กับหลักเช่นลิงกลับมาอยู่กับหลักได้หนึ่งนาทีก็เรียกว่ามีสมาธิหนึ่งนาทีมีสมาธิหนึ่งนาทีเดี๋ยวลิงกออกไปอีกแล้วพอจากหลักไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงคนนั้นออกไปอีกแล้วอยู่กับหลักมั่ไม่นานหรอกมันก็ออกไปเป็นธรรมาชาติแต่อํานาจของการสดคือสติแก่การมากขึ้นก็ดึงลิงกลับมา รู้ตัวเร็วขึ้นดึงมีกลับมาดึงไปบ่อยๆบ่อยๆลิงก็อยู่กับหลักพื้นจิตใจเราสามารถอยู่กับกรรมบริการมุทปโทหรือเราไม่ใจก็ออยู่กับนิ้วที่หมุนอยู่กับมือที่โบกอยู่กับกายกายยเดินนอนนั่งอยู่ได้อยู่กับหลักที่หล่อจิตไว้ได้สิบนาทีอับหนึ่นาทีเป็นสองนาทีสามนาทีสีนาทีเรื่อยไปรู้ว่าอยู่เพิ่มไป็นห้านาทีแล้วกันอยู่ได้ห้านาทีขณะระหว่างที่จิตใจของเราอยู่กับหลักได้ห้านาที ลิงกลับมาอยู่กับหลักได้ห้าปีเขาเรียกว่ามีสมาธิห้านาทีมีสมาธิห้านาทีแต่อยู่ได้ห้าปีเสร็จต่อไปเชี่อมก้วเพราะสัมไส้ของลิงจิตเกี่ยวมันลิงก็แว๊บออกไปแว๊บออไปแว๊บออไปสติเกี่ยวมอนเชื่อมดึงลิงกลับมากับหลักอีกมาอยู่กับหลักอีกสติจึงต้องปลุกให้แก่กล้าไว้ให้เข้มแข็งให้รวดเร็วกว่าลิงลิงออกไปดึงกลับมาที่ออกไปดึงกลับมาลิงออกไปดึงกลับมาขยันอย่างนี้ อย่าขี้เกียจอย่าหมดหุดหงิดเขาว่าบางคนมื่อกีว่าหงุดหงิดมากเลยว่าไม่อยู่กับหลักสติธรรมชาติเลยครับไม่อยู่หรอกครับเขาออกไปเข้าเน้อตลอดแต่ธรรมชาติของเราเราเหนือกว่าเราเป็นเจ้าของเนี่ยเราเป็นเจ้าของลิงต้องเก่งกว่าลิงเราเป็นเจ้าของลิงเราต้องเก่งกว่าเชื่อกสติเสี่ยบเหมือนเชือกดึงกลับมาเร็วดึงกลับมาบ่อยๆดึงกลับมาบ่อยๆถ้าเชือกไม่ขาดลิงก็ไปไหนได้ในไม่ไกจเดี็กก็กลับมา เดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็กลับมาเนี่ยท่านจะเข้าใจคําว่าสติสติถ้าเหมือนเชือที่มีอำนาจมากคือมีความเหนียวมีความแคบข้ อ, อวังหวายปาาเตี้ยวมันก็จะดึงลิงกลับไปอยู่กับหลักได้นานตอนนี้เมื่อลิงกลับอยู่กับหลักได้นานขึ้นเรื่อยๆเช่นมาอยู่ห้านาทีริงเพิ่มขึ้นอยู่กับหลักได้นานสิบนาทีเพื่ออกไปก็เรียกว่ามีสมาธิได้นานสิบนาทีตอนนี้ท่านก็นจะเริ่มเข้าใจคํำภาษา ในสมมุตนธัญญาตของสติกับสมาธินี่มันจะแตกต่างกันตรงนี้นะว่าอํานาจเพราะอํานาจของสติจึงทําให้ท่านเกิดเป็นสมาธิได้นานยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะพอส ต, ติท่านแก่กล้ารว ด, ดเร็วกว่าลิงมากขึ้นปเป็นเท่าไหร่ท่านก็ดึงลิงเนี่ยกลับมาอยู่กับหลักได้นานมากขึ้นเท่านั้น เพิ่มจากห้าปีสิบปียี่สิบปีสามสิบ ป, ปีดึงอยู่กับหลักได้นานยี่สทีปีสามสิบปีสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงอยู่ได้เป็นวันก็เพราะอํานาจสติที่ไม่ปล่อยเลยไม่ปล่อยปากล่าเลยเล ย, เลยคือสามารถที่ดึงยึดกลับพาได้ตลอดเวลาสมาธิก็มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆตามอํานาจของสติเมื่อท่านเข้าใจเรื่องสติสมาธิแล้วเนี่ยต่อไปก็จะได้ไม่สับสนว่าในช่วงนี้ เราจะฝึกสมาธิกันเราจะไม่สุกสติมีคนมาถามว่าวันนี้ช่วงนี้เราจะฝึกสมาธิเราจะไม่ไม่ต้องใช้สติช่วงนี้จะสุกสติไม่ใช้สมาธิอันนี้อย่าเข้าใจคาดเคลื่อนเข้าใจสมาธิกต่สติข้าเคลื่อนทําไม่ได้ก็ฝึก ส, สมาธิไม่มีสติแล้วมันจะมีอะไรดึงดึงจิตกลับมาอยู่กับหลักดึงรีบกลับมาหาหลัก ลิงก็เตลิดไปเรื่อยไปเพราะไม่มีสติดึงจะฝึกสมาธิไว้โดยไม่มีสติมันก็ไม่ได้เพราะว่าลิงมันไม่อยู่หรอกถ้าไม่มีสติจะเชื่อก้างกลับไปก็ไปไหนก็ไม่รู้เนะต่อไปนี้จะฝึกสติไม่ฝึกสมาธิแล follow, S <s <S <s ้วจะดึงอะไรไม่ฝึกสมาธิฝึกแต่สติมีแต่เชื่อกไม่มีลิงแล้วจะดึงอะไรแบบนี้มันก็มีไม่จะฝึกอะไรเพราะจะฝึกลิงนี่ไปสุดละ สติาะที่จะสติไมฝึกสมาธิมันก็จะฝักฝุ่กละไม่ฝึกลืมเพราะว่ามันต้องดิ้นริ่กับมหาหละ่ะเพราะฉะนั้นโดยทฤษฎีที่พูดกันว่าแยกฝึกสมาธิแยกฝ yeah, ึกสติอันนี้มันทําไม่ได้สติกับสมาธิเป็นของคู่กันและอํานาจของสตินั้นมีมากเท่าไหร่อํานาจของสมาธิก็มีมากขึ้นเท่านั้นจนครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าเพราะสติมีสมาธิจึงมีปัญญาจึงมี สติหายสมาธิหายปัญญาหายสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดสติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาในพชทธชงเจ็ดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานมีเจ็ดประการคือพุทธงเจ็ด 7, ขึ้นด้วยสติสมโมพุทธชงเพราะสติเป็นใหญ่แต่สมาธิตามมาข้างหลังนั่นแหละสมาธิสมพทธชง ไปอยู่ในตัวที่หกนุ่นแต่ตัวใหญ่เลยสติสามพจน์งอยู่ตัวแรกเนั้นสติจึงยิ่งใหญ่มากแม้แต่พาระห้ายินศรีห้าก็สติก็มาก่อนสมาธิภาระหมายินศรีห้ า, ม, ามีสตามีวิญยามีสติมีสมาธิมีปัญญาสติมาก่อนเนั้นสติ จริงยิ่งใหญ่ไม่ใช่ว่าเราบอกว่าจะฝึกสมาธิแล้วไม่ฝึกสติสติจริงยิ่งใหญ่หรือในมรรคแปดสติก็มาก่อนสมาธิสัมมาสติอยู่ข้อที่เจ็ดสัมมาสมาธิอยู่ข้อที่แปดนั้นเวลาฝึกจึงฝึกสติสติเก็บเหมือนเชื่อรล้างจิตกลับมาล้างจิตกลับมาล้างิตกลับมาก็จะไม่สมาธิได้นานขึ้นไปเรื่อยๆสมาธิคือจิตอยู่กับหลัก จิตใจอยู่กับหลักทีใช่ล่ออยู่อยู่กับคบริกรรมุตโตอยู่กับลมหายใจก็ออกอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็จะมีสมาธิเท่านั้นนิท่านเปรียบคําไว้ให้พวกเราได้ดูเพื่อใจท่านรู้มันสมมติเป็ญอยาคู่กันไปกับปิยาของจิตรู้ไปพร้อมๆกันตราบใดที่ลิงมันอยู่กับหลักได้นานยิ่งขึ้นลิงมาอยู่กับหลักคือจิตใจต้องมอยู่กับหลักได้นานยิ่งขึ้นเพราะอํานาจสองสติที่ที่ยนดึงกลับมา ลิงจะอยู่ก um! ับหลักได้นานยิ่งขึ้นเมื่อลิงอยู่กับหลักได้นานยิ่งขึ้นการทําเหตุเช่นนี้ทําให้เกิดผลคือเกิดปิติซาบซานขึ้นมาปิติที่เกิดขึ้นมาเพราะผลปิติเป็นผลเป็นผลของท่านทำเตเหตุคือมีสติดึงจิตกลับมามีสติดึงจิตกลับมามีสติดึงจิตกลับมาจิตเกี่ยวมืันลิงสติเกี่ยวมันเชื่อดึงลิงกลับมาหาหลักดึงมีกลับมาอยู่กับหลักนีกับหลักเจ้ากระชังลิงมาอยู่กับหลักจริงๆ ถ้าลิงอยู <Asia ido S 2> <Yeah. S 1> you. You ่กับหลักจริงๆสติก็อยู่กับหลักเพราะว่าเชือกมันไม่ยาวแล้ว嘛ะพรลิงมันอยู่กับหลักแล้วเชือกมันก็อยู่กับหลักไม่ต้องเชือกก็ไม่ยาวสติก็อยู่กับหลักสมาธิก็อยู่กับหลักคือลิงก็อยู่กับหลักปัญญามันก็อยู่กับหลักมันอยู่รวมกันเลยที่หลักขนาดนั้นก็เกิดเป็นผลขึ้นมาคือเป็นปิติปิติมีห้าอาการยกตัวอย่างเช่นปิติมีอาการเอ่า แวบเดียวขึ้นมามีอาการรู้สึกสู้แล้วก็หายไปเหมือนคนลุกสู้เดียวหายไปฉันจับแทบไม่ทันบางคนบอกว่ามไม่ทันรู้เลยว่ามันมีพิตินั้นเนี่ยมันก็สู้เดียวแล้วก็หายไปนี่คือปัญญาสายเราะคนเป็นอย่างนั้นคนที่มีลิติสู้เดียวแล้วหายไปบางคนมีปิธีสู้นานคนลุกสู้ตั้งบนหนังไก่เลยทั้งตัวอย่างนี้ ก็เป็นเรียกว่าปิติประเภทหนึ่งก็มีชื่อเรียกออกไปอีกไม่ต้องรู้ชื่อเป็นประสงค์ไม่ต้องรู้ชื่อบารีก็เป็นปิติประเภทหนึ่งปิธีประเภทหนึ่งก็คือว่ามันน้ําตาไหลเออคอไปหมดเลยนี่ก็เป็นปิธีประเภทนประเภทอีกปิธีน้ําตาไหลเออคอไม่ใช่ร้องไห้โฮโฮวานะน้ำตาไหลแล้วก็ปิติประเภทหนึ่งคือกายมันสะเทือนกันการระเทือนวิสวรรค์อุกกาศมันสะเทือนหมดเลนั่นก็เป็นปิธีประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งคือ กายเบาตัวเบามันหายตัวได้หอบหรือเจินอากาศไ ด, นนนได้นั่นก็เป็นปิติประเภทหนึ่นงรวมแล้วห้าอาการปิติแต่ละคนไม่เหมือนกันที่คาว่าคำว่าพูดปิติเหมือนกันแต่มีอาการที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันดังนั้นท่านอย่าไปเรียนแบบกันคนนี้บอกว่าเกิดปิติเป็นอย่างนี้ทราบทราบ น, นานมากน้ำูน้ำตาไหลแล้วเราก็จะไปเรียนแบบเพื่อน เพราะเราเป็นเวลาเกิดสติแล้วเวลาจิตสติเดี๋ยวมันเชื่อดึงจิตใจกลับมาอยู่กับหลักได้เป็นสมาธิมารวมกันก็จะต้องเกิดผลเป็นสติเสมอไปเพราะว่าอํานาจของสติสมาธิปัญญามารวมเป็นหนึงแล้วมันต้องเกิดผลเป็นสติตอนนี้สตินี่แต่ละคนมันก็หลอกวัดหายไปถ้าจะไม่รู้อะไรเลยจะจะดูไม่ออกไม่เด็นไหลเพราะว่าก็เรียกว่าีสติแล้ว ดนั้นิธีทุกคนจี่ไม่เหมือนกันอย่าไปทำเดินแบบกันว่าพอมีน้อยจะทำได้มากมันทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นวิสัยวัสนาของแต่ละคนมันมีซึ่งห้าประการเกิดไปแล้วก็เป็นเพราะวิธีเกิดนะพิธีเกิดถ้าจะททำใหม่ทำใหม่เพราะพิธีเกิดสั้นอันแล้วก็เกิดงด่ายต่อไปพอ สติคอยดึงจิตกลับมาสติคอยดึงจิตกลับมาจิตเสื่อมลิงสติเสื่มันเชื่อดึงลิงกลับมาดึงลิงกลับมาควนกไปเชื่วและมก็ดึงกลับมาดึงกลับมามันก็เกิดปีติอีกตอนนี้ไม่นานนะครั้งแรกอาจจะนานคือทำงานก่นจะเกิดปีติครั้งต่อไปมันเชื่อสารขึ้นมันก็ก็ตดึงลิงกลับมาไม่กี่ปีมันก็เกิดปีติแล้วเกิดปีติขึ้นมาเพราะว่ามันมีก่อนํานานขึ้นท่านก็จะรู้สามารถจับปิติได้แล้วเพราะว่ามันเกิดไปบ่อยเกิดไปบ่อยเพราะเกิดไบ่อยเป็น ท่านสามารถรู้ปีติได้ชัดเพราะรู้ปีติได้ชัดก็ให้จิตใจเนี่ยมันมาอยู่กับปีติแทนลมหายใจเข้าออกแทนมือที่โบตรงนี้สำคัญนะพอท่านรู้ปีติได้ชัดชัดอาศัยปีตินั้นมาเป็นเครื่องร่อจิตมาเป็นหลักแทนมือที่โบแทนลมหายใจเข้าออกแทนคําบริกรรมพุโทโธเอาปีติมาแทน เล <like> hmm ื่อนบรรดขึ้นไปเดิมพอรู้ที่กายรู้ที่กายเดิมกนรู้ที่กายแล้วขึ้นเกิดปีติเกิดปีติเป็นบรรดาหิขั้นที่สองพอเกิดบรรดาหิ้งขั้นที่สองเนี่ยทิ้งบรรดขั้นที่หนึ่งมารู้ชัดเจนที่ปีติรู้ชัดเจนที่ปีติพอรู้ปีติเนี่ยมารู้ชัดเจนที่ปีติรู้ชัดเจนที่ปีติจิตก็อ่อยแล้วเพราะว่าปิติเป็นหลักแล้วตอนนี้ปีติเป็นหลักพอาะปีติเป็นหลัก รู้จิตวิสิทธได้ไม่นานนะรู้ผงโรคเบาสบายได้ไม่นานปับจิตไปละจิตเชื่มมื่ลิงไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงคนนั้นคนนี so ้สติรู้ตัวปับดึงเอาลิงกลับมาดึงเอาจิตกลับมากลับมาอยู่กับจิตวิสิทธิ์งโรคเบาสบายกลับมาอยู่กับจิตวิเดี๋ยวก็ปั๊บไปละสติดึงจิตกลับมามาอยู่กับผงโรคเบาสบายมาอยู่กับโผงโรคเบาสบาย เพโกโรคปอดบวมนี่เป็นหลักนะไอ้ตัวหลักปัตย์ท่านแรกของท่านทิ้งไปแล้วเหลือบัตย์ท่านที่สองคือปีติท่านดึงมันกลับมาบ่อยๆดึงกลับมาบ่อยๆเพราะเดินหน้าของสติลิงมันก็เลยกลับมาแนบแน่นอยู่กับอารมณ์ของปีติกลับมาอยู่กับแน่นๆกับอารมณ์ของปีติมันก็เหมือนกับปันไดขัานแรก พอสติด้วยอำนาจของสติมันก็เลยทําให้ลิงหรือจิตเนี่ยมันกลับมาอยู่แน่นๆกับปิติปกโรคเบาสบายเป็นหนึ่งเดียวกับปโกโรคเบาสบายมันก็เลยผลมันเกิดผลที่สองแล้วผลที่สามเมื่อใดก็ที่สามมันเกิดสุขสุขใจยังบอกไม่ถูกขึ้นมามีอาการสุขใจบีมเอิบใจอย่างชัดเจนยังบอกไม่ถูกปิติเนี่ยมันจะมีอาการที่ผิวกายภายนอก มันจะมีอาการสู่ซูซาซาซาทับซาหลายภายนอกแต่ลสุขนี่มันมันเป็นที่ภายในใจใจมันจะเรียกว่าใจอิ่มเอิบเป็นสุพนี่เข้ามาสูกภายในใจนะเข้ามาสูกภายในใจใจอิ่มเอิบเป็นสศพมากเลยเพราใจอิ่มเอิบเป็นสศพเป็นไดขั้นที่สามเราก็ทิ้งบันไดขั้นที่หนึ่งไปทิ้งไปใจขั้นสองคือทิ้งทิ้งปีติครับทิ้งปีติ แล้วเอาสุกเนี่ยมาเป็นบันไดขั้นที่สามมาเป็นเครื่องรู้มาเป็นหลักของจิตให้สุกนั่นแหละให้รู้ที่สุกนั้นรู้ที่สุกนาัานอย่าให้เคลื่อนไปเคลื่อนคือจิตไปคิดเรื่องอื่นจิตไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ก็ทันมีสติดึงเอาจิตเอาลิงนั้นกลับมาอยู่บนหลักคือความสุขใหญ่ที่เกิดใจเดี๋ยวก็ลิงปั๊บเอาไปคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้สติรู้ตัวปั๊บดึงเอาลิงกลับม า, าดึงเอาใจกลับมา มาอยู่กับความสตกใจกินเอืบใจเพราะอำนาจของสติจิตใจมันก็เลยมาแปดแนบแน่นอยู่กับอารมณ์สุขบันไดาอิาทธิสามเพราะจิตใจมาอยู่แนบแน่นกับอารมณ์สุขบันไดาอิาที่สามจิตนั้นก็จะเกิดผลเป็นบันไดาอิาทธิสี่ 4, คืออุเบกขาฌานอุเบกขาฌานมีลักษณะ ต, ต่างๆกันไม่เหมือนกัน บางครั ang, 4, 5, 1, b b ang, ้งมีลักษณะกวงโหวงไปหมดตั้งแต่หัวจุดเท้าบางครั้งมีลักษณะปวงเหมือนกับว่าคว้านที่นอหกกับข้างหลังเนี่ยคว้านจะรูทะลุถึงกันใครมองข้างมองตัวเราข้างหน้าสามารถมองทะลุเห็นข้างหลังได้มองข้างหลังทะลุมองมองเห็นข้างหน้าได้คือคว้านทะลุกวงโหวไปเลยหรือว่ากวงโหวตั้งแต่หัวจุดเท้าจะกวงหัวจุเท้าหรือกวงกวงหน้ากวงหลัง หรือไม่งั้นใจมีความสงบว่าเบาเหมือนกับไม่ีตัวไม่มีตนหรือไม่แค่นั้นทีความสว่างเจิดจ้าความสว่างนั้นก็ไม่เข่ากันบางคนก็สว่างแค่ไฟสิบกินเทียนยี่สิบกันเทียนสามสิบกันเทียนสี่สกันเทียนบางคนก็สว่างเหมือนไฟสวอทไลท์บางคนก็สว่างเหมือนดวงจันทร์บางคนก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ บานก็สว่างเป็นดวงอาทิตย์หลายดวงบางในตำราเขว่าบางทีสว่างกป็นดวงอาทิตย์สิบดวงผมยังไม่ก็ใจว่าอมันสว่างขนาดไหนดวงอาทิตย์สิบดวงดวงเดียวก็จะแยกแล้วก็สว่างขนาดนั้นทีพอสว่างขนาดนั้นปุ๊บก็เหมือนเดิมอีกทันที่มันไดมาทิ้งมันไดสุดเสียงแล้วเอามาปเอาบันไดอุเบกขาเอาบันไดอุเบกขาชัน ก็ให้รู้ที่อุเบกขาฌานรู้ที่อุเบกขาฌานไว้ให้รู้อยู่เยอะนะเนี่ยแค่อุเบกขาจานแค่อุเบกขาฌานก็ยังมีความคิดมีความคิดอยู่มันคิดอะไรถ้ามัรู้ตัวอีกคิดอะไรก็รู้ตัวแต่ตอนเนี้ลิงมันก็ไม่ายไหนเลยนะแทบไมไปไหนเลยเพราะถึงอุเบกขาจารย์แล้วเพราะว่ามันแนบแน่ล้วลิงมันแค่จะอยู่กับหลักคืออุเบกขาจานนั้นอุเบกขาฌา์เป็นหลักแล้วมันนี้จะจำไว้นะอุเบกขาอาิตย์ประดิษฐที่สี่แล้วใช่ไหม สี่สี่ห้าสีแล้วนะผู้เบิกขาฌานนั้นเป็นหลักแหละตัวทิ้งมาหมดเลยใต้ทิ้งมาหมดมาลุ่มเบิกขาฌานแล้วก็เอาเวิกขาฌานนั่นเป็นหลักแล้วก็จิติต น, นั่นเปรียบมือนลิงมันก็ไมออกไปไหนแนะเพราะมันจะอยู่กับมันก็อยู่ผู้เบิกขาฌานอยู่กันอย่างนั้นตัวนี้ตนะิติสบายมากแลนวสติก็ไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยเพราะว่าลิงมันอยู่กับหลักเท่าที่และยาเวลาของผู้เบิกขาฌา น, นอยู่ลิงก็ได้อยู่กับผู้เวิกขาฌานนั้น ในขั้นนี้เขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นแนบแน่ เ, เรียกว่าอัปปนาสมาธิลิ่งไม่ไปไหนลิ่งอยู่กับหลักสติก็อยู่กับปลักก็อยู่ด้วยกันยานี้สบายเจ้าของสบายเพราะว่าเป็นขั้นสวยสวยสุขในขั้นของสมถกรรมฐา น, ฐานในขั้นของปิติเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิ ในข่านของสุขใจหรือเมตใจเขาเรียกว่าปลูกปัจจาระสมาธิคณ like ิกาสมาธิคือลิงหรือจิตใจเนี่ยมันเก็บอยู่กับหลักในทักเดียวเดี๋ยวมันไปแล้วอยู่กับหลักในทักหนึ่งกับพักหนึ่งมันก็ไปแล้วการที่จิตใจหอลิงเนี่ยมันอยู่กับหลักไในทักหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ทักหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าคติกาสมาธิคืออยู่ได้นานพอถึงอารมณ์ตกจิตใจหรือลิงเนี่ยมันจะอยู่กับอารมณ์ตกได้นานขึ้นหน่อยอยู่ได้นานนานขึ้น แค่ไม่ไปออยู่ไปไหนแล้วแต่ก็ยังไปอยู่อันนี้ก็งเรียกว่าอุปจารสมาธิคือจิตใจขอลิงเนี่ยมันมอยู่กับหลักได้นานเป็นนานเท่านานเหมือนกันแต่ไม่นานเท่าไหร่ก็ไปล้แต่พอถึงขั้นอุเบกขาที่ละปนาสมาธิฉันอยู่นานเลยไม่ไปไหนเป็นขั้นที่เฉลิมสุดเป็นขั้นที่เฉลิมสุดจริงๆเพราะลิงไม่ไปไหนแล้วที่ของลิงกน อ, อยู่กับหลนะักนั่นก็ไม่ต้องไป ไปคอยดูแลกิจต่อไปก็สบายได้สบายก็อยู่หล่ะในขั้นของอุเบกขาชาเรืยกว่าปรญหาสมที่ก็อยู่ในขั้นนี้แต่ขั้นนี้ก็เป็นบันไดขั้นที่เป็นเพียงแก่เคลื่อนอยู่เคลื่อนรู้เคื่องอาศัยอยู่เหมือนกันอยู่ได้เท่าที่ระยะเวลาที่จิตมีกําลังของจิตพักอยู่ได้ในนั้นเหมือนเจ้เทศกดานอยู่้นท้องหมาสมุทรได้ พักกั บ, บระยะหนึ่งแล้วไม่สา ม, มารถจะอยู่ได้มันตลอดไปก็จะถอนคืนขึ้นมาลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ำกับคืนมาดูความเป็นปกติถ้าจะ้ยาให้อยู่ตลอดไปก็อยู่ไม่ได้ต้องเอาคืนมาเป็นปกติเหมือนกอดผุกิจเรียกว่าเป็นธรรมชาติของอนิจจสุขังอนัตตาไม่มีสิ่งใดตั้งอยู่ได้อย่างนั้นตลอดไปกับคืนดูกความเป็นปกติตลอดเวลาที่พูดมานี้เรียกว่าส ม, มถะกรรมฐาน ส ม, มาถะกรรมฐา น, มมาานในขั้นสุดจิตใจให้สงบ เ, เรียงแบบนี้ไม่าช่ไม่ใช่เรียงแบบนี้นสติปัฏฐานสี่คือมีสติรู้ในกายกายก็เชิดเราไม่ได้เข้าออกมือที่โบกหรือนิ้วที่หมุนหรือว่ากายที่บริกรรมพุโทโธอยู่เพราะมีสติคอยดึงจิตกลับมาอยู่กับหลักของกายก็เลยเกิดหมวดที่สองคือเวทนาคือปิติปิติเวทนา ปิติเวทนาแล้วก็รู้สึกเวทน า, ารู้ปิติก็เลยเกิดสุขมีสติรู้อยู่กับสุขก็เลยเกิดอุเบกข า, เ, าเรียงแบบนี้มาชามาชาเรียงไปแบบนี้นี่ท่านถามว่ากรณีที่ปิติมันเป็นไม่นานนะในปิติมันเป็นไม่นานคือมันเป็นรักหนึ่งละหายไปเลยแล้วก็ไปเป็นตัวอื่นเลยอย่างนี้มันก็จะไม่ทันที่จะมีมาสติมารู้อยู่กับหลักของปิติได้เพราะว่าปิติมันมีห้าประเภทใช่ไหม ที่บอกมาเจ้คือพิติแวบเดียวพิตินานหน่อยปิติแวบกเดียวคือเกิดอาการเหมือนขนลุกฟู่ขึ้นมาพู่เดียวแล้วหายไปบางคนก็ทราบทราบเจอตัวนานบางคนก็เหมือนร่างกายมันเบาหายตัวไปได้พอกไปถ่ายโผล่ในอากาศได้าาไไดบางคนก็กายสัน่นบางคนก็ใจสัน่นบางคนก็ใจเบากายเบามากเลยก็แล้วแต่ว่าบางคนก็อิ่มเ อ, อิบจนน้ํำตาไหลเป็นปิติแต่ละประเภทนี้ประเภทที่ นา น, านานก็สามารถที่จะเอาสติบมารู้อยู่ที่ปิตินั้นได้นี่ประเภทประเภทที่ว่าแอบเดี่ยวหายไปเป็นประเภทที่เกิดเร็วหายเร็วเลยทีก็จะเอาหลักมารู้ที่ปิตินั้นไม่ได้กรณี น, นี้ที่ปิติมันหายไปแล้วไปต่อเป็นอะไรต่อไปสุขล้วก็พอปิติหายไปเร็วแล้วเลยไปถึงสุขอารมณ์สุขในใจขึ้นมาแล้วก็เอาสุขนั่นเป็นหลักเอาสุขนั้นเป็นหลักคือปิติเป็นเร็วมากแล้วเลยไปสุขเลยความสุขใจอิ่เติดใจ รู้จัดตรงนั้นเราก็เอาหลักที่เป็นความตุกใจอินเวอร์สใจเนะเป็นเครื่องล่อหรือเป็นหลักของใจไว้แล้วก็พอจิตใจมันอ ย, อยู่ไม่อยู่กับสุกนั้นมันคิดถึงเรื่องอื่นไม่รู้แล้วไม่รู้อยู่กับอารมณ์สุกนั้นอาการที่สุขนั้นเราก็รู้ต่สารดึงกิตกลับมาดึงกิตกลับมาตัวนี้กรณีที่มันไหลไปเร็วมากคือว่าพอปิติพปุบเลื่อนไปสุกสุกพุบไปอุเบกขาทีเดียวเลยแล้วอย่างนี้ก็จะทำอย่างไงกนะ็คือ ไม่รู้จับตัวไหนอ่ะคือปิติก็ไม่เห็นสุขก็ไม่เห็นไปเห็นทีที่ไปสว่างแล้วไปสว่างไปว่างไปเบาแล้วดูไม่ออกเลยว่าเป็นปิติเป็นสุขเราก็ไม่ต้องไม่ต้องมามีสติมารู้ที่ปิติมารู้ที่สุขเพราะว่ามันไม่เห็นมันไม่ทานมาเร็วมากก็ไปที่อุเบกขาเลยแล้วก็ให้เอุเบกขาฌานหรือว่าตัวอัปปนาสมาธิเป็นเครื่องระลึกรู้ของจิต พอจิตไม่อยู่กับอุเบกขาอาจารย์เซอร์เบนูต้องอุเบกขาอาจารย์แล้วไม่ค่อยไปไหนลนะมันก็จะอยู่ที่อุเบกขาอาจารแล้วก็ให้รู้อยู่ที่อุเบกขาอาจารนั้นเป็นขั้นของการพักจิตนี่ยงสงบจริงๆพักอยู่นั้นให้นานเท่านานแล้จิตก็มีกําลังของของจิตมากขึ้นสว่างสว่ยมากขึ้นเองเนี่ยบางคนก็มีเหมือนกันคือลงทีเดียวฟึ๊บเดียวไม่ถึงนาทีได้พิติตุูอุเบกขา องชานทั้งสีครบองชานเด็ดเสร็จเรียบร้อยเมียจินยาครบเพราะบางคนนี่มีวาสนาเก่าวทางด้านนี้ลูกเดียวก็ครบองค์ชานเลยบางคนก็ชาลปีชาลปีชลปีส่วนใหญ่ก็ไม่นานไม่นานก็ครบก็ครบหมดดันั้นถ้ามันไม่รู้ไม่รู้ที่ ต, ต, ติไม่รู้ที่สุขก็ไม่รู้ที่อุเบกขาก็รู้ที่อุเบกขานี่นะว่าท่านว่า พอปิติแล้วมันจะรู้ที่ปิติซะหน่อยอ่ะใจมันไปที่อื่นแจนไปคิดเรื่องอื่นใช่ไหมกําลังครูอยู่ก็เลยบอกว่าให้หนูเนี่ยเกิดเกิดปีติอยู่เกิดทราบสรานอยูก่ก็เลยให้พิสติตั้งมั่นรู้อยู่ที่ปิติทราบทรานนั้นรู้ไว้ถึงห้านาทีก็คิดสงสัยอะไรขึ้นมาอยู่เรื่อยคิดถามโน้นถามนี่แต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะถามไม่ถึงเวลาทจะตอบปิติมันก็หลุดไปเพราะว่าปิติมันหลุดไปก็เพราะว่าจิตมันไม่ ลิงมันไม่อยู่กับหลักนะ เ, เราจะลืมแล้วว่าปิติเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าลิงมันอยู่กับหลักลิงมันอยู่กับหลักเพราะว่ามีสติเหมือนเชื่อดึงเอามันกลับมากลับมากลับมาตอนนี้ผมมันหายหมดเพราะหมดท่าเลยเพราะว่าใจไม่อยู่กับหลักสติไม่ดึงกลับมาปิติมันก็ไม่มีเพราะมันเป็นผลกันมันเป็นเหตุเป็นผลกันใช่ไหมอย่าลืมว่าเพราะสติดึงจิตมาอยู่กับหลักพอดึงจิตมาอยู่กับหลักจิตมันก็เลยมามีสมาธิอยู่กับหลัก พราจิตมีสมาธิอยู่อยู่กับหลักมันจะเลยเกิดปิติผลปิติมันเกิดจากมีสติดึงจิตมาอยู่กับหลักแต่พอจิตไม่อยู่กับหลักสติก็ไม่เรียกกลับมาปิติมันก็เลยหายไปนี่ท่านถามผมว่าแล้วปิติมันหายไปนี้จะทำไงอาจารย์มันหายไปแล้วไอ้เกลื่อนรู้มันก็ไม่มีปิติในขั้ของเวทนาไม่มีแล้วจะทำยังไงเราจะจำมาขึ้นมาเลยได้ไหมถ้าท่านสามารถจําได้แล้วมันท่านกลับคุณมาใหม่ได้ด้วยความชํานาญก็ได้ครับ ก็ได้แต่ถ้าท่านจำไม่ได้ท่ำยังไงก็คือท่านต้องกลับไปกลับย้อนไปที่อหลักแรกคือกายก่อนย้อนกลับไปที่หลักแรกคือกายมีสติรู้ที่กายรู้ที่ลมหายใจก็ออกรู้ที่นิ้วที่หมุนรู้ที่มือที่โบกรู้ที่คําบริการพุทโธย่างเดิมของท่านอีแล้วก็คอยมีสติรึงจิกกลับมานึ้จิตกลับมาแต่ตอนนี้มันไม่นานแล้วไม่ช้าแล้วเพราะมันเคยมันเคยทางแล้วมันไม่ช้าเดี๋ยวปุกแปบเดียวเอ้ อ้อนหน้าสตินั่นเองที่ดึงจิตกลับมาดึงจิตกลับมาจิตนั่นก็จะมาแปะอยู่กับหลักเรียกว่าเป็นสมาธิแล้วก็พอเป็นสมาธิเสร็จมันก็จะเกิดปิติเร็วแล้วตอนี้ก็เกิดปิติเร็วพอปิติแล้วตอนนี้เราก็จะรู้แล้วว่าสติเราจะหายไม่ได้สติเราต้องต้องั้งมั่นโลงที่ตั้งสติต้องตั้งมั่นโลดที่ปิตินั้นแล้วพอจิตไม่อยู่กับไม่รู้อยู่ที่ปิติเราก็ต้องคอยเอากลับมาเอากลับมากลับม า, บมาเดินไปได้ก็กลับมาแต่ขณะที่บอกเอากลับมากลับมาอย่างเงี้ยอยู่ต่อหน้าผมนี่ก็ยัง ค, คิดสงสัยอยู่ตลอดคิดสงสัยจะถามพอคิดสงสัยจะถามมันก็หายไปอีกเพราะว่าความคิดสงสัยมันก็ล่ากกับไปหมดมันเป็นนิวรณ์ห้านะนิวรณ์ห้าเป็นตัวตำเป็นตัวทาลายเกลี้ยงหมดทําลายอารมณ์สมมาตรทำลายอารมณ์วิปัสนาเกลี้ยงหมดไม่เหลอือหรอเพราะว่ามีนิวรณ์ห้าทำมันตัวเดียวหรือนิดเดียวก็ทําลายหมดแหละนิวรณ์ห้าคือกามฉันทะอารมณ์กามกำเลิกโทสะ มีโทสะพยาบาทอาการแ้นกำเริบขึ้นมาในใจอุตจักบุญบุญจักมุทิติคงซาลังทานใจพิทากษ์พิทักษ์พิทักษ์มีความมุทิติคงซาลังทานใจมันก็ทาลายอารมณ์สมถะทำลายที่พัฒนามันวิจิกิจารังเลสงสัยตัดสินใจไม่แน่นอนเฮ้ยอย่างนี้ป่าหรืออย่างเงี้เป่หรืออย่างงี้ป่หรืออย่างเงี้ยป่าต้องใส่อยู่นั่นแนก็เลยหายไปหมดเนี่ยวิจิกิจา้วก็ทีน้ามิถะ ความม่วงมุนซึมซึมเศร้าเศร้าห่อเหี่ยวปวดหูท้อแท้มันก็เข้ามาเข้ามาแล้วหายหมดอารมณ์สมสาถะหายวิปัสสนาก็หายหายหมดพระเจ้าจึงบอกว่าถ้สติน้าทิ่าเข้ามาแล้วไม่เหลือหลอแต่ถ้าปิติกลับมานิบวรธาจะหายไปเพราะมันตกกันข้ามไะถ้าปิติกลับมาได้นิบวรธาก็จะหายไปแต่ถ้านิบวรธากลับมาปิติก็หายไป เพราะฉะนั้นพอท่านเอาพิธีกลับมาได้มันก็จะเดินเดินเลี้ยงไปถึงสุขสุขเดินเลี้ยงไปถึงผู้เบิกขาได้พอท่านเอาเอาลมจานกลับมาก็จะทําให้นิวรณ่าหายไปตัวอารมณานเนี่ยมันเป็นตัวที่ระ ง, งับดับนิวรณ่าไว้ได้เป็นตัวระ ง, งับนะดับนิวรณ่าไม่ได้แล้วก็ท่านก้าวพุ่งสู่วิปัสสนาอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นตัวกําจัดนิวรณ่าที่แท้จริงนิวรณาก็คือกิเลสนั่นเอง กิเลสที่เป็นราคะโทสะโมหะนั่นเองคือนิบบานห้าเข้าใจไหมครับเวลาท่าน ท, ทาํารรมะทํานทำธรรมะมันรู้อารมณ์ไปเรื่อยรู้รู้กายเกิดมาเกิดปิติรู้ปิติเกิดสุขรู้สุขเกิดเบิกขาแ้วมันรู้ไปอย่างเงี้ยเรียงลําดับไปแล้วเวลาพอท่านเริ่กก้าวขึ้นสูส่ภูมิวิปัสสนาในขั้นของอีกสองหมวดหลังคือเจด กิเทนจิตแล้วก็จเิเทนธรรมหรือว่าธรรมารู้จิตนั้นก็คือว่ามาสติมารู้อยู่ที่ใจในขั้นของกิจตานุ ป, ปสัสนาสติปัฏฐานกับธรรมมานุวัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยท่านมันจะมาประคองห้ามประคองอารมณ์เบาในการรู้เนลังขัดท่านจะต้องมารู้อารมณ์เบานั้นแต่ไม่ประคองประคองมนนันต่างกันนะการรู้ ท่านเอาอารมณ์เบาที่ตั้นใจท่านสุดได้แล้วในขั้นของสมถะมันจะมีความโปรง่งมีความโล่งมีความบาสบายใจจะควรแก่งานท่านก็รู้ที่อารมณ์เบานั้นที่ความรู้สึกเบานั้นที่เป็นสุขเวทนานั้นเป็นเบคาเวทนาแต่อุเบคาเวทนามันมันไม่ได้เพาะในขั้นของพักกิจมันจะรู้ได้แค่จิต ท, ที่บางเบาแต่ห้าประคองให้รู้จิต ท, ที่บางเบาเป็นฐานไว้แล้วก็รู้ความคิด รู้ความคิดด้วยอารมณ์รู้จิตที่รู้จิตใจแล้วว่าแต่ละขณะจิตมันปุงแต่งยังไงแต่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรให้มันรู้รู้รู้คู่กันรู้เป็นพร้อมๆกันคือรู้เวทนาที่เป็นความโบกความร่องความบอสบายแล้วก็รู้จิตที่เป็นความคิดที่ติดตองปงแต่งเป็นความรู้สึกนคิดต่องปุงแต่งอะไรก็ตามที่มันเป็นใจเราเป็นยังไงเรารู้ดีไม่ต้องถามใคร นั่นคือจิตจิตใจก็คือกิตก็คือจิตใจไม่ใช่เดียวกันคือจิตใจเราในขณะปัจจุบันจากขนาปัจจุบันมันเป็นยังไงเรารู้ตัวเราเองดีไม่ต้องถามใครในหลวงปู่ท่านว่าเราก็รู้จิตใจของเราเราก็รู้ด้ยวยว่าตอนนี้ใจใจมันสบายหรือใจไม่สบายใจมันเบาหรือ ใ, ใจมันหนักเราก็แค่รู้แค่รู้แต่พยายามอย่าพยายามไปครอบไปประคอง ท, ที่ที่ความเบาพยายามให้ความเบารักษาความเบาให้มันเหลือไว้แล้วก็ไปรู้จิตที่คิดนั้นคือต้องเปล่รู้จิตที่แปลเปลี่ยนไป ถ้าท่านทำแบบนี้จะเหมือนกับปั่นสูดในห้องนอนอตลอดเวลาก็คือว่าจิตหนึ่งท่านน่วงน่วงเอาความรู้สึกที่เบาที่โป่งโล่งสบายที่ว่าฝ่าไว้เป็นสร้างห้องไว้ในใจอีกจิตหนึ่งพ่รู้าท่อตานความคิดรู้าท่อตานอารมณ์การที่ท่านปฏิบัติแาบนี้รู้ท่อตานความคิดรู้ต่านอารมณ์ท่านรู้ยังไงก็ตาม พอความคิดละอมหายไปมันก็ตกเข้าไปอยู่ในห้องของความเบามันรู้อยู่ในห้องของความเป่าที่ท่านหดวงเอาไว้ในใจทีนี้พอมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นอารมณ์นั้นก็เข้าไปอยู่ในห้องที่ท่านสร้างไว้พอความคิดเกิดขึ้นทะลุต่อสันความคิดหายไปอเแต่พอความคิดเกิดขึ้นมีอารมณ์อารมณ์ก็ตกเข้าอยู่ในห้องใจเบาที่ท่านสร้างเอาไว้ยึด่วงเอาไว้เพราะท่านมีห้องสร้างไว้ตลอดเวลา เรียกว่าปัดฝุ่นในห้องนอนเพราะฉะนั้นการที่ารู้ตัวทันคือความคิดอารมณ์เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันก็เท่ากับท่านปัดฝุ่นปัดไปปัดมาปัดไปปัดมาก็ปัดอยู่ในความเบาในความรู้สึกที่เบาคือห้องนอนนั้นไม่ได้ไปไหนเนาะดังนั้นว่ามีอารมณ์มีความทุกข์มีความเครียดอะไรมันก็อยู่ในห้องนอนนั้นแหละมันผสมเสถียรเปกันเพราะฉะนั้นการส่งเอาไว้กับการรู้มันคนละเรื่องกัน ในการที่ขั้นฝืนในขั้นของสมรรษากมฐานนั้นเพราะรู้กายจึงเกิดสิติเพราะรู้ปิติเกิดสุขเพราะรู้สุขเกิดอุเบกขาจึงก็รู้รู้รู้รู้ไว้แต่พะท่านเชี่ยวชาญรู้ไว้บ่อยๆเกิดอุเบกขามาขึ้นเองแต่ถ้าท่านพยายามที่จะประคองไว้ประคับประคองไว้เอาไว้ในการยึดถือเป็นการห่วงเอาไว้ชื่อมก็บอกแล้วว่าเป็นการหน่วงเอาอารมณ์ไว้การที่เราพยายามยึดถือเป็นการประคองไว้เป็นการหน่วงเอาอารมณ์ไว้ มันจะมีผลเสียที่ตามมามหาศาลคือว่าจิตมันจะมีอาการที่ท่านไม่ชอบใจยิ้เดี่ยวไม่ได้เลยตเดี่ยวก็ไม่ได้ท่านจะมุนจิกับมันทันทีโดยที่ท่านแก้ความมุ่นจิตไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะท่านยึดความดีไว้ยึดความเบายึดความโปกความโล่งความสบายไว้พอมเป็นวิสัยตัวนี้แล้วต่อไปพอจิตท่านมีอาการเกี่ยวนั่นแหะท่านมุนจิตทันทีเลย มือ ง, งจิตันทีกับจิตที่มีอาการถ้าปล่อยวางจิตไม่ได้เลยปล่อยวางอาการของจิตไม่ได้เท่กับท่านยึดถือตลอดเวลาเลยคือดีรักชั่วชันตามที่หลวงปู่แหวนทศิโตท่านว่าไว้ว่าที่ไม่พ้นทุกข์อยู่กันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็บ่นว่าหนักหนอหนักหนอก็เพราะว่าดีรักชั่วชันหรือว่าเกียรทุกลักสุกนี่เอง ท่านใจไม่เป็นกลางวางมเบกขารู้และปล่อยผ่านไปรู้และปล่อยผ่านไปรู้และปล่อยผ่านไปแต่พอใจที่มันโปรมันโลภ ม, มันเบาสบายวางเปล่าถ้าพยายามหวงเอาไว้ดีรักชั่วชังแต่พอเกิดอาการใด น, นิดเดียวที่ท่านตรงกันข้ามกับที่ท่านพยายามหวงเอาไว้ความมุ่งิตรตามมากัะทานหานเลย และที่สุดลําจะลาไปถึงไปจิตศาตร์ลุปัสนาลิกิปัะจานคือท่านติดดีคิดแว๊หนึ่งในทางอภูสุนไม่ได้จิตไม่พอใจเร็วมากนะเดียวที่กิตคิดในทางอภูสลนท่านจะไม่พอใจอัตโนมัติพอท่านติดฝ่ายอภูสไว้อะไรทุกอย่างต้องเป็นกภูสนทั้งหมดเหมือนอกับว่าเราเป็นคนดี เราเป็นคนดีคนไม่ดีนิดเดียวโดนตมหนิปีเตียนหรือภาควิจารณอัตโนมัติเพราะว่าอะไรเราเป็นคนดีตรงเนี้คนทุกไม่ได้เพราะเพราะว่าดีรักเชั่วชังเก็บทุกข์รับสุขสายคนม า, าผมแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้คิดแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้เหียการณอามรมณ์ขึ้นมาแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้ต้องดีตลอดอารมณ์เหล่านี้ต้องไม่มี อาการเหล่านี้ทำไมมีความคิดเหล่านี้าาทําไมมีอาจารย์ทําไมมันมีเครียดขุดงิดมากเลยมุนหงิดกับความคิดฝ่ายที่เป็นอกุศล้ล่าลมฝ่ายที่เป็นอกุศลมุนงิดกับอาการที่ไม่โปร่งโร่งเบาสบายไม่โปร่งโล่งเบาสบายเพียงแค่เดียวทุลีเดียวนะั่นแหละเดียวผมเห็นไม่มเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแต่เขาเนี่ความมุนหงิดความทุกข์ใจที่หล่นตักสายอาการนั้นแหะใหญ่โตเฉพาะภูขเขาแต่อาจารย์ที่มันไม่สูกใจมันเดียวผมเห็นไม่มีอะไรเลย อาการที่เขาไปที่รถขับสายอาการที่มันที่เขาไม่พอไม่อใจพอใจมันยิ่งใหญ่ถ้าภูเขาเลยโอ้ยที่รถขับขับขักขับขักขับไม่พอใจไม่พอใจอาการแบบนี้ที่อยู่ในใจตรงนี้เราเป็นปัญหามากส่วนหลวงปู่ถามว่าเวลามีใครมีอาการอะไรเกิดขึ้นถามไปไปกราบท่านพอหลวงปู่ทำไมมีอาการอย่างนั้นทำไมมีอาการอย่างนี้ทำไมมีอาการอย่างนี้ล่ะหลวงปู่ก็ตอบว่าหลวงปู่ก็มี หลวงปู่ก็มีอ่าดีคนคานสบายสามท่านหลวงปู่มันไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดอย่างนั้นอย่างนี้โอ้มันไปจุดคิดจุดคิดจุดคิดไปหมดแล้วหลวงปู่ก็คิดหลวงปู่ก็มีโอ้ยหลวงปู่มันทําไมแน่นจึดอัดไปหมดเลยเนี่ยมันทำไมแน่นจึดอัดไปหมดอย่างนี้หลวงปู่ก็มีนี่เป็นเครื่องเตือนเตือนใจพวกเราว่า พาาระหันไม่ใช่วิมีหลวงปู่ดูนนลนตวโรเป็นพระอนิสงส์จะดับขันพลางไปถามหลวงปู่ดูลว่าหลวงปู่ยังมีโกรธอยู่ไหมหลวงปู่ก็มีแต่ไม่เอามีแต่ไม่เอาแต่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่จะทำให้ไม่มีนี แต่ปงก็ดีนะเพระอาหารหันต์มีแต่ไม่เอาใจไม่เข้าไปมีปัญหากับสิ่งที่มีสิ่งที่กําลังเป็น <depict S 1> นันแหนะคือความทุกข์เมื่อใดใจไม่เข้าไปมีปัญหากับสิ่งที่กำลังมีสิ่งที่กําลังเป็นเมื่อนั้นใจก็ไม่ทุกข์แต่เมื่อใดใจเข้าไปมีปัญหากับสิ่งที่กําลังมีสิ่งที่กําลังเป็นสิ่งที่กาลังปรากฏขึ้นเกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้นใจก็จะเป็นทุกข์ ความทุกข์ไม่ใช่เพราะอาการนั้นความทุกข์ไม่ใช่เพราะมีสิ่งนั้นแต่ความทุกข์เพราะมีปัญหากับสิ่งนั้นจึงเป็นทุกข์นี่ท่านต้องเข้าใจศาสตร์จติทให้ชัดเจนอาการใดๆนั้นนะทั้งหลายนั้นนะ่เจะแน่นชิดัดจะไม่สบายเพียงใดจะคิดอาุญตใดๆก็ตามสิ่งนั้นไม่ได้เป็นทุกข์ เขาเป็นอคติชนแต่เขาไม่ได้เป็นทุกข์แต่พอท่านไปมีปัญหากับสิ่งนั้นคือเข้าไปไม่พอใจสิ่งนั้นไม่พอก็เข้าไปไม่พอใจต่ออาการเหล่านั้นเข้าไปไม่พอใจต่อความคิดเหล่านั้นหรือเข้าไปพอใจต่อความโกรธรุ่มเรสบายเป็นทุกทันทีเลยเพราะใจท่านมีปัญหาตัอสิ่งนั้นเข้าไปพอใจไม่พอใจต่อสิ่งนั้นจึงเป็นทุกข์มีผู้ถามบอกว่าเอ็ะ อาจารย์อย่างนี้เป็นกิเลสหรือเปล่าความคิดอย่างนี้อารมณ์อนนย่างนี้อาการอย่างนี้เป็นกิเลสไหมแล้วเราว่าตัวอาการนั้นน่ะถ้าเราไม่เข้าไปพอใจมันไม่เข้าไปไม่พอใจมันก็ไม่เป็นกิเลสตัวอาการเหล่านั้นไม่ใช่กิเลสกิเลสเกิดจากการที่เราเข้าไปพอใจเข้าไปไม่พอใจนั่นจึง เ, เป็นกิเลสเรียบเหมือนว่ามีใครในห้องเนี้ย เกิดก็สวยเกินไปผู้ชายก็หล่อเกินไปถามว่าผู้หญิงที่สวยเกินไปในห้องนี้ผู้ชายที่หล่อเกินไปในห้องนี้เป็นโซ่ที่เละเอามานั่งในห้องนี้ไม่ได้ต้องออกไปข้างนอกก็จะเปลี่เหมือนอาการอาการที่เบาโล่งว่างโปร่งไปหมดเลยเหมือนกับว่าผู้ชายที่หล่อเกินไปผู้หญิงที่สวยเกินไป ส่วนอาการที่ครุบตื้อแน่นอึดอัดไม่สบายก็เปรียบเหมือนว่าผู้ชายที่กี้เละเกินไปผู้หญิงที่กี้เละเกินไปถามว่าผู้ชายผู้หญิงนั้นเนี่ยเป็นกิเลสหรือว่าใจเราเป็นกิเลสถ้ากิเลสเกิดจากใจคือเข้าไปพอใจผู้ชายที่หล่อผู้หญิงที่สวยเข้าไปไม่พอใจผู้ชายที่กี้เละผู้หญิงที่ขี้เละ ความพอใจความไม่พอใจจึงเป็นกิเลสแต่ผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อนั้นหรือว่าผู้หญิงไม่สวยผู้ชายไม่หล่อนั้นไม่ได้เป็นกิเลสอาการภายในใจโปร่งโล่งสบายว่างเปล่าโล่งไปหมดเลยว่าเว้นว่าหมดเขาไม่ได้เป็นกิเลสอาการที่แน่นจิตอัดตื้อภายในใจไม่ได้เป็นกิเลสแต่เพราะเข้าไปพอใจ อาการที่โผล่โล่งเบาสบายหมดเลยจึงเป็นกิเลสเข้าไปไม่พอใจอาการที่ซึบดัดแน่นไม่สบายจึงเป็นกิเลสความพอใจความไม่พอใจจึงเป็นกิเลสพระยส่งทั้งหลายท่านสิ้นความพอใจและสิ้นความไม่พอใจแล้วไม่ใช่สิ้นอาการผมพูดตรงนี้เพราะว่าผู้ปฏิบัติเข้าใจผิดมาก ภาเรียตรงทั้งหลายท่านสิ้นความพอใจสิ้นความไม่พอใจเท่านั้นเองไม่ได้สิน้นหากการบางท่านบอกว่าปโกโรคสบายเดี๋ยวจะติดสุกน้องมาใหม่ก็เหมือนกันแล้วก็มีคนเก่าๆหลายคนกลัวติดสุขเขาบอกว่ามตตตตตีติดสุกติดสุกติดสุขนะความสุขไม่ได้เป็นกิเลสสุขก็สุกไปว่าก็ว่างไปไม่ได้เป็นกิเลส เบาก็เบาไปไม่ได้เป็นกิเลสไม่ต้องไปรีบทำให้เขาหายไปเพราะเขาไม่ได้เป็นกิเลสการที่ท่านเข้าไปปอใจที่จะหน่วงเอาสิ่งนั้นไว้อันนั้นแน่เป็นกิเลสไม่ใช่ว่าท่านต้องทําให้มันไม่มีอาการใดเข้าถึงความว่างเปล่าอันนั้นแนะการที่ท่านพยายามทำให้ไม่มีอาการใดการที่ท่านพยายามทำให้มันเข้าถึงความว่างเปล่าท่านกําลังเป็นกิเลสในความ อยากที่จะให้มันเป็นเช่นนั้นท่านกลาลังเป็นกิเลสต้องดูว่าท่านปฏิบัติมานี้เพื่อความสิ้นกิเลสหรือท่านปฏิบัติเพื่อเป็นกิเลสท่านจงปฏิบัติด้วยสติปัญญาปละพิจ า, ารณาเอาเข้าใจไหมครับ